พ่อรีนะหรือว่าท่านพ่อรีวัตสกการามท่านท่านเคยเล่าถึงเรื่องของชายสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันนะรักกันมากวันนั้นเป็นวันพระเพื่อนคนนึงเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดพอได้ยินเสียงะระฆังที่วัดนะก็ออกจากบ้านเลยเพื่อจะไปใส่บาตเราก็ตั้งใจว่าจะรับศีลแล้วก็ฟังธรรมฟังเทศด้วยส่วนเพื่อนคนนึงเนี่ย เขามาคิดว่าเนี่ยวันนี้เราไม่มีอะไรกินเลย น, นถ้าไปวัดทำบุญนะก็คงไม่มีอะไรกินนะว่าแล้วก็หยิบแผ้นะเพื่อจะไปะจับปลาใจนี่ก็ตั้งใจว่าเนี่ยได้ปลามาแล้วก็จะทำอาหารให้เพื่อนกินด้วยระหว่างที่จับปลาระหว่างที่ออกไปทอดแห้ก็ก่อนไปทอดแหลก็หุงข้าวเอาไว้นะ ให้ตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยแล้วก็เดินไปทอดแหาชายคนที่เข้าวัดเพื่อไปทำบุญในวันพระเนี่ยระหว่างที่ใส่บาเนี่แกก็นึกถึงเพื่อนที่ไปจับปลาว่าเพื่อนเรานี่จะจับปลาได้ไหมเนาะพอนึกไปถึงเรื่องนี้ก็เลยเกิดความอยากกินอยากกินปลานะที่เพื่อนจับมาได้ แล้วก็คงนึกในใจนะว่าอยากให้เพื่อ น, นี่จับปลาได้เยอะๆได้ตัวใหญ่ๆนะปลาช่อนปลาดุกเียกลับไปก็จะได้มีแกงปลากินนะระหว่างที่รับศินนะใจก็นึกนึถึงเรื่องปลาที่เพื่อนจะกาลังจับอยู่ น, นึกถึงแกงปลาที่เพื่อนจะทำให้ตัวเองกิน ระหว่างที่ฟังทานะก็ยังนึกเรื่องเดิมนะพระเทศอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยินแล้วใจมันนึกถึงปลานะอยากให้เพื่อนจับปลาเอ๊เยอะๆนะเราจะได้กินนะแกงปล า, าที่เพื่อนทำให้ส่วนชายคนนึงนะไปทอดแหระหว่างที่ทอดแห ก็นึกถึงเพื่อนคนที่ไปทําบุญที่วัดในวันพระโหตอนนี้นี่เพื่อนคงกำลังใส่บาจุดนะนึกถึงแล้วก็อนุโมทนาด้วยอทอดแถาระหว่างที่ทอดแถาไปก็นึกต่อไปอตอนนี้เพื่อนเรารับศีลเลยยังหนะอ่าผ่าไปสักพักก็นึกอีกนะเพื่อนเราตอนนี้คง กำลังฟังเทศฟังธรรมจิตใจคงจะเป็นบุญมากเลยนะนึกถึงเพื่อนที่ไปทำบุญที่วัดชายคนนั้นก็รู้สึกปลื้มปิตินะที่เพื่อนได้ทำบุญได้ไปใส่บาตรได้รับศีลฟังธรรมบอกว่าช้าวันนั้นเนี่ยด้วยอานทิสสองแห่งบุญนะที่ตัวเองเนี่ย นึกถึงเพื่อนแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญที่เพื่อนทาบอกว่าจับปลาไม่ได้เลยนะเรียกว่าทําบาปไม่สําเร็จนะแต่ ก, ก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าใจก็รู้สึกปราบพื้นปิติที่เพื่อนได้ไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อฤีท่านก็นถามว่าเนี่ยสองคนเนี่ยใครที่ได้บุญมากกว่ากันนะคนที่ไปวัด ใส่บาตรนะรับศีลฟังธรรมหรือคนที่ทอดแถจับปลาอยู่หนูพอ่อฤทธ์ท่านบอกว่าเนี่ยคนที่ทอดแถเนี่ยะใจเป็นบุญมากกว่าเพราะว่านึกถึงเพื่อนนะที่กำลังทำบุญแล้วก็อนุโมทนาด้วยเกิดความปิติยินดีนะเรียกว่ามีจิตใจที่อนุโมทนา แม้ว่าตัวเนี่ยนะจะอยู่ที่หนองแล้วก็ค่อนแห่จับปลาอยู่ก็ตามส่วนชายที่อยู่วัดนะทั้งที่ใส่บาตรับศีลฟังเทศนะแต่ว่าได้บุญน้อยนะเพราะว่าใจเนี่ยนึกถึงปลาอยากให้เพื่อนเนี่ยจับปลาได้เยอะๆอยากให้เพื่อนนะอ่า แกงปลาไตาปลาหรือว่าส้มปลาให้กินพอนึกแล้วเนี่ยนะจิตใจมันก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาใจเลยไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศล น, นะต่างจากเพื่อนที่อทอดหาจับปลาอยู่นะใจก็เป็นบุญนะพอนึกถึงเพื่อนที่กำลังใส่บาตรนะ รับศีลฟังธรรมตัวอยู่วัดนี่แม้จะทำบุญเห็นเห็นอยู่นะแต่ว่าใจนี่นะไม่ได้เป็นบุญเท่าไหร่อย่างนี้ก็เรียกว่าได้บุญน้อยนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะตัวอยู่ที่วัดแต่ว่าถ้าใจ มีความเศร้าหมองหรือมีกิเลสไปนึกถึงสิ่งที่มันไม่ใช่บุญนะมันก็ได้บุญน้อยตัวอยู่หนองอยู่หนองน้ำนะแต่ว่าจ่ายเป็นบุญก็ได้นะเพราะนึกถึงเพื่อนที่กำลังทำบุญแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาด้วยบุญนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวอยู่ไหนนะ มันอยู่ที่ใจตัวอยู่วัดแต่ใจไม่เป็นบุญก็ได้เพราะใจไปอยู่ที่หนองน้ำนะส่วนอีกคนหนึ่งตัวอยู่หนองน้ำนะทอดแหาอยู่แต่ว่าใจอยู่ที่วัดนะนึกถึงเพื่อนนะที่กำลังทำบุญด้วยเนี่ยอย่างนี้ได้บุญนะบุญอยู่ที่ใจเพราะว่า ทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่นะมีใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จได้ด้วยใจมันไม่อยู่ที่กิริยาไม่ได้อยู่ที่การกระทำหรือว่าสถานที่นะกิริยาเนี่ยอาจจะเป็นการใส่บาตรการรับศีลการฟังธรรมนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไปอยู่ที่อื่น อย่างนี้มันก็ได้บุญน้อยอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยทำอะไราพูดเมื่อวานเนี่ยนะทำอะไรไม่สำคัญท้งคำว่าทำอย่างไรใส่บาตรฟังธรรมแต่ว่าทำอย่างไม่มีสติหรือว่าใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แถมไปนึกถึงสิ่งที่มันทำให้เกิด ความเศร้าหมองเกิดกิเลสการที่อีกคนหนึ่งอ่กำลังจับปลาอยู่นะแต่ว่าใจเขาเป็นบุญนะเพราะนึกถึงเพื่อนที่กำลังใส่บาปรับศีลฟังธรรมทำอะไรไม่สำคัญ่ว่าทำอย่างไรนะให้เวลเาทำบุญเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานรับศีลฟังธรรมนะก็ต้องใจให้ใจเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันด้วยแล้วก็รู้รู้สึกยินดีในบุญที่ทําที่จริงข้าใจมันอยู่กับบุญนะที่ทําเนี่ยใจมันก็เป็นบุญแล้วล่ะไม่ใช่ว่าขณะที่ใส่บาตรถวายสังฆทานใจไปนึกถึง อย่างอื่นเช่นไป น, นึกถึงลูกว่าตอนนี้ลูกนะเป็นอย่างไรมีใครทำอาหารให้กินหรือเปล่าจะมีเพื่อนไม่ดีมาหาไหมที่แบบนี้ใจเป็นใจรู้สึกเศร้าหมองทั้งที่กำลังใส่บาทนะตัวใส่บาทนะตัวอยู่วัดแต่ว่าใจไม่เป็นบุญแล้วเพราะว่าจิตใจเกิดความเศร้าหมองหรือไม่ก็ระหว่างที่นะ ทอดปลาปาทอดกระถินก็นึกถึงเพื่อนที่ไปทอดกระถินทอดปลาปาอีกวัดหนึ่งแล้วก็นึกว่าเนี่ยเขาจะได้เงินมากกว่าเราไหมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจถ้าเขาได้เงินมากกว่าเราหรือเกิดความรู้สึกเสียหน้าว่าถ้าเราได้เงินน้อยกว่าเขาอย่างนี้อย่างนี้มันก็ได้บุญ น, น้อยนะเพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกผ่องใส ในขณะที่ทำบุญนะบุญมันจะเกิดขึ้นได้แล้งอกงามได้เพราะว่าขณะที่ทำขณะที่ถวายทานจิตผองใสถวายเสร็จนะใจเบิกบานา จ, จะทำงันได้เนี่ยนะตัวอยู่วัดใจก็ต้องอยู่วัดนะเราก็รับรู้ถึงบุญที่ได้ทำมันจึงจะเกิดความรู้สึกผองใสเบิกบานแต่ถ้าหากว่า ไม่ว่าจะทำบุญที่วัดหรือว่าถวายเงินมากแค่ไหนแต่จิตใจไม่ผ่องใสนะไม่เบิกบานเพราะว่าไปคิดห่วงนั่นห่วงนี่นะหรือไปคิดแข่งขันว่าใครจะหาเงินได้มากกว่ากันอ่ะอย่างนี้จิตใจมันเศร้าหมองแล้วมันก็ได้บุญน้อยนะไปให้เข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าจะได้บุญนะต่อเมื่อมาวัดนะอยู่บ้าน ถ้าวางใจเป็นนะมันก็ได้บุญในทางตรงข้ามอยู่วัดแต่วางใจไม่เป็นไม่ถูกนะมันก็ไม่ได้บุญหรือได้บุญน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้ถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาทําบุญที่วัดเพราะว่าเดินทางลําบากวัดก็ปิดแต่ว่าถาว่าวางใจให้ดีน้อมใจเป็นกุศลอานุนมโมทนาคนอื่นที่เขาได้มาร่วมทําบุญหรือมีโอกาสมาทําบุญ อันนี้มันก็จะเป็นบุญแล้วนะเรียกว่าอนุโมทนาใหม่นะนะมันเข้าใจใดีเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใจก็เป็นบุญได้ก็เรียกว่าได้ทำบุญทำบุญด้วยใจทำบุญที่ใจนะ